สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่บ้นนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชวประวุติตอนที่สามร้อยแปดสิบสามเรื่องผู้ปฏิบัติครั้งที่สองพระเจนะของพระเจ้าในวันนี้นะครับมีสองตอนด้วยกันก่อนแรกอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่ยี่สิบข้อยี่สิบหกข้อยี่สิบเจ็ดโปรดฟังพระเจชนะของพระเจ้าถ้าผู้ใดใคร่จะเป็นเอกเป็นต้นผู้นั้นจะต้องเป็นทาสสมัครของพวกท่านอย่างที่บุตรมนุษย์ มิได้มาเพื่อรับการปฎิบัติแต่ท่านมาเพื่อจะปฎิบัติเขาและประธานชีวิตของท่านให้เป็นข้าไทคนเป็นอันมากเมื่อวานนี้นะครับผมได้อธิบายถึงคําว่าผู้ปฎิบัติหมายถึงคนรับใช้ในบ้านนะครับเป็นคําที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับคําว่ามัคคณยกซึ่งแปลว่าเป็นผู้รับใช้ขยายความอีกนิดนึงครับก็คือเหมือนกับผู้ที่รับใช้อยู่ที่โต๊ะอาหารของเจ้านาย ในสมัยนี้นะครับในพัตตคาลก็คงจะเรียกว่าบ่อยครับก็คือเจ้านายต้องการอะไรเราก็จะต้องเสิร์ฟสิ่งนั้นเจ้านายต้องการผ้ากันเปื้อนกระดาษทิชชู่หรือแม้กระทั่งจานชามสั่งให้เก็บก็ต้องเก็บนี่คือคำว่าคนรับใช้หรือผู้ปฏิบัติหรือคำว่ามักคนยก คำว่าทาานั้นหมายถึงผู้ที่ยอมเสียสิทธิส่วนบุคคลของตนเพื่อไปรับใช้นายยอมที่จะสละความสุขส่วนตัวยอมที่จะเสียสิทธิบางสิ่งบางอย่างเพื่อรับใช้นายของตัวเองทั้งสองคำนี้ใช้บรรยายถึงลักษณะของสาวกของพระเยซูว่าจะต้องยอมเป็นผู้รับใช้ยอมที่จะเสียสละเพื่อที่จะให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์ ด้วยความสมัครใจเต็มใจและจริงใจพี่น้องครับพระเจาพระเจ้าตอนนี้ทาให้เรารู้ว่าในโลกนี้นะครับเราคงไม่ได้เป็นใหญ่เป็นเอกแต่ในโลกนี้เราจะต้องเป็นทาสสมัครเพื่อที่ว่าในโลกหน้าครับในการที่พระเจ้าจะประทานบำเหน็จ พระบิดาของเราได้ทรงจัดเตรียมไว้สําหรับผู้ใดก็จะให้แก่ผู้นั้นแต่พระเยซูกําลังสอนเฉพาะเจาะจงไหมครับว่าคนที่จะได้นั้นจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติครับคนที่จะได้นั้นจะต้องเป็นคนรับใช้คนที่จะได้นั้นจะต้องเป็นทาสสมัครให้เรามาดูกันนะครับว่าทาสสมัครนั้นหมายความว่ายอย่างไรพระคัมภีร์ตอนที่สองในวันนี้ครับก็จะอยู่ในพระธรรมเฉลยธรรมยัดครับจําง่ายๆครับ บทที่สิบห้าข้อสิบหกสิบเจ็ดครับสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดครับเสรย์จะมันหยัดบทที่สิบห้าข้อสิบหกสิบเจ็ดโปรดฟังข้อชนะของพระเจ้าแต่ถ้าท่านนั้นจะกล่าวแก่ท่านว่าข้าพระเจ้าจะไม่ไปจากท่านเพราะเขารักท่านและครอบครัวของท่านเพราะเขาอยู่กับท่านสบายดีจงเอาเหล็ก แทงใบหูของเขาให้ทะลุไปติดกับประตูเรือนดังนี้เขาจะเป็นทาตเด็ดขาดของท่านท่านจงกระทาเช่นนี้แก่ทาตหญิงด้วยพี่น้องครับผมจะอ่านข้อ18เพิ่มเติมให้พี่น้องอีกหนึ่งข้อครับ15 16 17 18เมื่อท่านปล่อยเขาให้เป็นอิสระนั้นท่านอย่ารู้สึกหนักอกหนักใจ เพราะว่าเขาได้รับใช้ท่านมาเกตปีด้วยค่าแรงครึ่งหนึ่งของลูกจ้างเท่านั้นพระเยวาว์พระเจ้าของท่านจะทรงอํานวยพระพรแก่ท่านในการที่ท่านได้กระทำรรเช่นนั้นเพียงครับเราจะเห็นนะครับว่าพราะชน้าของพระเจ้าในพระธรรมเฉลยธรรมัย่างนั้นได้ให้แนวทางของการใช้ทาตนะครับในลักษณะของคนงานหรือคนใช้ธรมธรมดาธรรมดาอาจจะต้องจ่ายค่าแรงเต็มครับ แต่สำหรับทาสนะครับจ่ายค่าแรงครึ่งหนึ่งนะครับนั่นหมายความว่าระบบทาสของอิสราเอลของพระเจ้านั้นไม่ได้เป็นอะไรที่กินแรงหรือว่าเอารัดเอาเปรยียบข่มเหงรังแกรหรือแม้กระทั่งเหมือนกับใช้ควาว่าใช้คนเยี่ยงทาสทาสนั้นไม่ได้มีความหมายเป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในบ้านครับ แต่เขามีความเป็นคนครบถ้วนสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเมื่อเขาทำงานมาเจ็ดปีครับตามกฎหมายของอิสราเอลก็คือต้องปล่อยให้เป็นอิสระในพึ่งพีข้อสิบแปดแต่ว่าถ้าหากว่าบางคนครับเขาอยากจะเป็นทาสสมัครเขาก็จะบอกกับนายของเขาว่าข้าพเจ้าจะไม่ไปจากท่านถามว่าทาไมทาสนั้นถูกปล่อยให้เป็นอิสระแล้วยังไม่ไปครับ พระเงมพีอธิบายว่าเพราะทาสคนนั้นเนี่ยอยู่กับนายแล้วเนี่ยสบายแสดงว่านายคนเนี่ยจะต้องเป็นนายที่ดีที่ชอบทำนะครับที่ไม่เอารัดเอาเปรียบทาสเพราะฉะนั้นพระเงมพีก็มักสอนคนที่เป็นนายอย่าเอาเปรียบลูกจ้างมากจนเกินไปครับจะต้องให้เขาอยู่กับเราแล้วเนี่ยเขามีความสบายเขาสบายดีพี่น้องครับในสมัยนี้นะครับการบริหารงานยุคใหม่เนี่ยพยายามรีด นะครับจากคนรับใช้จากคนงานจากลูกจ้างให้มากที่สุดแต่ในสมัยโบราณ น, นั้นพระธรรมพีสอนเรานะครับว่าให้เขาอยู่กับเราแล้วสบายดีสบายใจเมื่อเราได้ใจของเขาแล้วเขาก็จะเป็นทาสสมัครวิธีดำเนินการให้เป็นทาสสมัครนะครับในข้อที่สิบเจ็ดพระธรรมพีกล่าวว่าจงเอาเหล็กแทงใบหูของเขาให้ทะลุไปติดกับประตูเรือน แทงใบหูธรรมดาธรรมดาก็พอแล้วเพราะว่าแทงใบหูแล้วเนี่ยหูของเขาเนี่ยจะมีรูใช่ไหมครับมีรูก็ทําให้รู้ว่าคนคนนี้นะครับมีนายดีครับเพราะเขาเป็นท่าสมัครเขารักนายของเขานายของเขาเนี่ยสามารถปกป้องคุ้มครองเขาได้นายของเขานั้นเป็นแบกให้เขาได้นายเขานั้นเป็นคนที่ดีเขาถึงสมัครใจเป็นทาสอยู่ตลอดตลอดตลอดชีวิตไปจากเขาไม่ได้ แต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าทำไมต้องแทงใบหูของเขาให้ทะลุไปติดกับประตูเรือนครับนั่นหมายความว่าชีวิตของเขานะครับจะเชื่อฟังเจ้าของเรือนนี้เพราะประตูเรือนนั้นก็เป็นเขตของบ้านของนายครับเพราะฉะนั้นภายในเขตนี้ชาติคนนี้สมัครใจที่จะ ย, ยอมฟังครับตรึงหู นะครับเจาะหูไปติดกับประตูเรือนนะครับไปติดกับประตูเรือนนั่นหมายความว่าเขาสมัครใจที่จะ ย, ยอมเชื่อฟังครับนะครับไม่ได้เจาะนิ้วเจาะมือนะครับไม่ได้เจาะจมูกครับแต่เจาะหูหมายถึงสัญลักษณ์แห่งการเชื่อฟังเขาซึ่งเป็นทาสมัครนั้นจะกลายเป็นทาาเด็ดขาดเลยครับท่าดเด็ดขาดแปลว่าเป็นทาาตลอดไปและสามารถทํากับทาาหญิงทาาชายได้ด้วยเหมือนกัน พี่น้องครับใครที่เป็นผู้บริหารหากว่าตัวเขานั้นบริหารด้วยความเที่ยงธรรมบริหารด้วยจิตใจที่เมตตารักนะครับลูกน้องของเขาตามสมควรพระเจ้าจะอํานวยข้าพรให้กับ น, า ย, น, า, ยนายของนายคนนั้นแต่ถ้าใครก็ตามที่ขูดรีดรีดเอาทุกสิ่งทุกอย่าง เอาตัดเอาเปรียบลูกจ้างของตัวเองเพราะว่าเขาอยู่ในอำนาจที่จะทําได้คนคนนั้นจะไม่ได้รับพระลรครับคนคนนั้นจะกลายเป็นศัตรูของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นมิตรกับทาตกับหญิงไม้กับเด็กกาําพ้าขอพระเจ้าช่วยเราครับในการที่เราจะเข้าถึงและเข้าใจถึงน้ำมัทยของพระเจ้าในวันนี้ เรากลับมาดูชีวิตของพวกเรานะครับถ้าเราอยากจะเป็นใหญ่บนแผ่นดินสวรรค์เราจะต้องยอมเป็นท่าสมัครรับใช้พี่น้องครับเราจะปฏิบัติคนอื่นในบ้านของเราได้อย่างไรเราจะปฏิบัติปฏิบัติญาติพี่น้องคนในครอบครัวของเราอย่างไรเราจะปฏิบัติเพื่อนร่วมงานในที่ทํางานอย่างไรเราจะปฏิบัติพี่น้องในคริสตจักรด้วยความสมัครใจได้อย่างไร พี่น้องครับใครที่จะเป็นเอกเป็นใหญ่ต้องเป็นทาสก่อนทาสหมายถึงบุคคลที่สูญเสียสิทธิของตนเองเพื่อปฏิบัติรับใช้ผู้อื่นยอมเสียสละความสุขสบายส่วนตัวในการดูแลจิตวิญญาณของคนอื่นในการปฏิบัติรับใช้คนอื่นในการที่จะสร้างคนอื่นให้เป็นสาวกในการปฏิบัติรับใช้ในแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้านั้นไม่เหมือนกับที่อื่นพระเยซูไม่เคยตั้ง ตำแหน่งให้บุคคลใดมีอำนาจเหนือคนอื่นความเป็นใหญ่ของเราวัดได้จากการปฏิบัติรับใช้ของเราพี่น้องครับปดวดป่วยอีกครั้งครับความเป็นใหญ่ของเราวัดได้จากการปฏิบัติรับใช้ของเราเหมือนกับที่พระเยซูได้ตร่าวว่าเรามาเพื่อจะปฏิบัติเขาทั้งหลาย